อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วชั้นบินทบาทไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตจินสี่เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะ ก, กำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยพาสุกจักมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหาร ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสยนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากรดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยคีฬานปัจจัยเพศสัตว์บริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอ า, าพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว และเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึ่งเกิดขึ้นเมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่ต้องละด้วยการใช้สอย อาสะวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นอาสะวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำหยาบคาส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกาย เป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้น อาสะวะที่ต้องละด้วยการเว้นอาสะวะที่ต้องละด้วยการเว้นเป็นอย่างไรคือภิสษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคโดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักต่อสถานที่มีน้าหลุมเหวบอ่อน้ำคร่ำบอ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ไม่ควรเที่ยวไปและมิดชั่วที่เพื่อนโภมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่า อาสะวะที่ต้องละด้วยการเวน้นอาสะวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาอาสะวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับการมวิตกที่เกิดขึ้นและบันเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นและถึงไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับราบาปอกุโสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทาให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป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 อาสะวะที่ต้องละด้วยการเจริญอาสะวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือพิกสุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคลายแล้วเจริญสติสัมโพชงที่อาศัยวิเวก ค, ความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในการสละพิจารณาโดยแยบคลายแล้วเจริญธรรมวิจยสัมโพชงละถึงเจริญวิริยะสัมโพชง เจริญปีติสัมโพชงเจริญปัสสติสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญอุเบกขาสัมโพชงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้องไปในการสละซึ่งเมื่อไม่เจริญอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอจเจริญอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายเหล่านี <pl ains> ้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวร อาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเว้น อาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้ว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 พระผู้มีพระภาคจึงเรียกรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราอย่าเป็นอมิสทายาทเลยเรามีความเอนดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทหากเธอทั้งหลายเป็นอมิสทายาทของเราไม่เป็นธรรมทายาทเพราะข้อนั้น เธอทั้งหลายจะพึงถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิสทาญาตอยู่ไม่เป็นธรรมธาญาต์แม้เราก็จะพึงถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิสทาญาตอยู่ไม่เป็นธรรมทาญาตหากเธอทั้งหลายจะพึงเป็นธรรมทาญาตของเราไม่เป็นอมิสทาญาตเพราะข้อนั้น เธอทั้งหลายจะไม่พึงถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นธรรมทายาทอยู่ไม่เป็นอมิสทายาทแม้เราก็จะไม่พึงถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิสทายาทอยู่ไม่เป็นธรรมทายาทภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทเลย เพราะเราก็มีความเอนดูในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทภิกษุทั้งหลายหากเราจะพึงเป็นผู้ฉันเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดภัตกิจมีความสุขตามความต้องการแล้วแต่บินทบาทของเรายังมีเหลือจะต้องทิง้งในเวลานั้นภิกษุสองรูป ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำพากันมาเราควรกล่าวกับภิกษุทั้งสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ฉันเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดพัฒกิจมีความสุขตามความต้องการแล้วแต่บินทบาทนี้ของเรายังมีเหลือจะต้องทิ้งหากเธอทั้งหลายประสงค์ก็จงฉันเถิดหากเธอทั้งหลายจะไม่ฉันบัดนี้ เราจะทิ้งลงบนพื้นที่ปราศจากของสดเขียวหรือเทลงในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์ภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้เสวยเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดพัฒกิจมีความสุขตามความต้องการแล้วแต่บินทบาทของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลือจะต้องทิ้งหากเราจะไม่ฉันบัดนี้พระผู้มีพระภาค ก็จะทรงทิ้งลงบนพื้นที่ปราศจากของสดเขียวหรือทรงเทลงในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์แต่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาิของเราอย่าเป็นอามิสทายาิเลยบินทบาทนี้เป็นอมิรอย่างหนึ่งทางที่ดีเราจะไม่ฉันบินทบาทนี้แล้วให้วันคืนผ่านพ้นไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความอ่อนเพลีย น, นี้แหล เธอจึงไม่ฉันบินธบาตนั้นแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความอ่อนเพลียนั้นแหลลำดับนั้นภิกษุรูปที่สองได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้เสวยเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดภัฒกิจมีความสุขตามความต้องการแล้วแต่บินธบาตของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลือจะต้องทิง้งหากเราจะไม่ฉันบัตนี้ พระผู้มีพระภาคก็จะทรงทิ้งลงบนพื้นที่ปราศจากของสดเขียวหรือทรงเทลงในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์ทางที่ดีเราควรฉันบินทบาตนี้บรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วให้วันคืนผ่านพ้นไปอย่างนี้เธอจึงฉันบินทบาทนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่สองนั้น ฉั้นบินทบาทนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้แต่ภิกษุรูปแรกนั้นก็ยังเป็นผู้ควรบูชาและสนเสริญกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการไม่ชั้นบินทบาทของภิกษุรูปแรกนั้นจักเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลวเลี้ยงง่ายปรารบความเพียรสิ้นกาลนานเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิด อย่าเป็นอมิสทายาทเลยเพราะเราก็มีความเอนดูในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาิไม่เป็นอมิสทายาทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้วพระสุคตครั้นตรัสพระดำรันนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหาร ไม่สนใจศึกษาวิเวกเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายในวิหารนั้นมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวก ด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกภิกษุเหล่านั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุพวกกระผมมาจากที่ไกลเพื่อจะทราบเนื้อความแห่งภาสิทธิ์นี้ในสำนักของท่านพระษารีบุตรพวกกระผมขอโอกาสขอท่านพระษารีบุตรได้โปรดแสดงเนื้อความแห่งพาษิทธิ์นั้นเถิดเพื่อภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วจะทรงจำไว้ได้ ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคาแล้วท่านพระสารีบุตรเลือกล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนาเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวก สาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สนใจศึกษาวิเวกไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นําในโวกกรรมธรรมทอดทุระในปวิเวกบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นเถระเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่หนึ่งว่า เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละและเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกกรรมธรรมทอทุระในปวิเวกภิกษุผู้เป็นเถระ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 สาวกทั้งหลายไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระาศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกกรรมธรรมทอธุระในปวิเวกภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่านี้แล เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายชื่อว่าไม่สนใจศึกษาวิเวกความสนใจศึกษาวิเวกท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวก สาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายในพระธรรมวิในนี้สนใจศึกษาวิเวกและทำทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละไม่เป็นผู้มากมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกกรรมณธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นเทระ เป็นผู้ควรสันเสริญโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรสันเสริญโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกเป็นผู้ควรสันเสริญโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายละธรรมทั้งหลายที่พระาศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้ควรสันเสริญโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มากมาก ไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกะมณฑธรรมไม่ทอดทุระในเปิลวิเวบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นมัชชิมะภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองว่า สาวกทั้งหลายละทำทั้งหลายที่พระาศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้ควรสันเสริญโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มากมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโลกกรรมธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวทภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ควรสันเสริญโดยฐานะสามประการนี้ด้วยเหตุเท่านี้แลเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวท สาวกทั้งหลายชื่อว่าสนใจศึกษาวิเวกมัชิมาปฏิปทาท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมเหล่านั้นโลภะและโทสะเป็นบาป มัชิมาปฏิปทามีอยู่เพื่อละโลภะและโทสะเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานมัชิมาปฏิปทาอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออะไรคืออริยมรตมีองค์แดได้แก่ 1. สัมมาทิฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ นี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุโกให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมเหล่านั้นโกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธเป็นบาปมัชฌิมาปฏิปทามีอยู่เพื่อละโกทะและอุปนาหะเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุโกให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานมัคคะความลบลูคุณท่านปวลาสะความตีเสมออิ ส, สาความริษยามัฉริยะความตรนี่มายามาณยาสาถยะความโ อ, โอ้อวดธรรมภะความหัวดือ้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะ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 เป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออะไรคืออริยมรตมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจาสสัมมากรรมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้แหละคือมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานท่านพระสารีบุตรเลือกล่าวพาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลธรรมทายาทสูตรที่สจบ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 นั่งนาที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมกุลบุตรทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเจาะจงท่านพระโคโด ม, ท, โคโดมท่านพระโคดมทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้แนะนำให้ถือตามชุมชนนั้นถือเอาแบบอย่างท่านพระโคดมหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พราหม์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหม์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเจาะจงเราเราเป็นหัวหน้าของพวกเขาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้แนะนำให้ถือตามชุมชนนั้นถือเอาแบบอย่างเราชานุโสนิพราหม์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมเสนาสนะอันเงียบสงับคือป่าโปร่งและป่าทึบ อยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนาจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้วาดวันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามข้อนี้เป็นอย่างนั้นพรามข้อนี้เป็นอย่างนั้นเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมได้ยาก ป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้วาดวันเหตุดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า16ประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว ยังไม่ได้ตัดสู้ได้มีความดำริว่าเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้วาดวันเรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีกายกรรมไม่บริสุทธ เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือมีกายกรรมไม่บริสุทธิ์ส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้มีกายกรรมไม่บริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์พระอริยะเหล่าใดมีกายกรรมบริสุทธิ์ เข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงบเคือป่าโปรงและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีกายกรรมบริสุทธิ์นั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้มีความปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์ละถึง มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอั น, นเงียบสงัดคือป่าปโปรงและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอนกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตอนคือมีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์ส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้มีการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสนะอั น, นเงียบสงบคือป่าปโปรงและป่าทึบ เราเป็นผู้มีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์พระอริยะเหล่าใดมีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์เข้าอาศัยเสนาสะนะเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์นั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพราหมณ์เรานั้นได้มีความดําริว่า สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีปกติเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีความกำหนัดกล้าในาการมาคุณทั้งหลายเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าปโปรงและป่าทึบสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือมีปกติเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและมีความกำหนัดกล้าในาการมาคุณทั้งหลาย ส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้มีปกติเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่มีความกำ pues หนัดกล้าในการมาคุณทั้งหลายเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปรงและป่าทึบเรามิใช่เป็นผู้มีปกติเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นพระอริยะเหล่าใดไม่มีปกติเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปรงและป่าทึบ เราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหม์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ไม่มีปกติเพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพราหม์เหล่านั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพรามหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งมีจิตวิบัติมีความดำริชั่วร้ายเข้าอาศัยเสนาสะนะนเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบ สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือมีจิตวิบัติและมีความดำริชั่วร้ายส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้มีจิตวิบัติม่ใช่มีความดำริชั่วร้ายเข้าอาศัยเสนาสะนะอันเงียบสงบคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีจิตเมตตาพระอริยะเหล่าใดมีจิตเมตตา เข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงบเคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีจิตเมตา น, นั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งถูกทีนมิทะความหดหู่และเสื่อมซึมกลุ่มรุมแล้ว เขาอาศัยเสยนาสะนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือการถูกถีนมิทะกลุ่มรุมส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ถูกถีนมิทะกลุ่มรุมเข้าอาศัยเสยนาสะนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะ พระอริยเหล่าใดเป็นผู้ปราศจากถีนามิทะเข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยเหล่านั้นพรามเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปราศจากถีนามิทะนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพรามเรานั้นได้มีความดำริว่า สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ฟุ้งซ่านมีจิตไม่สงบเข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงดคือป่าปโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อบประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือเป็นผู้ฟุ้งซ่านและมีจิตไม่สงบส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ฟุ้งซ่านไม่ใช่มีจิตไม่สงบเข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงดคือป่าปโปร่งและป่าทึบ เราเป็นผู้มีจิตสงบแล้วพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้มีจิตสงบเข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีจิตสงบนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง เป็นผู้เคลือบแคลงสงสัยเข้าอาศัยเส น, นาสนะอันเงียบสงบเคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความโกลัและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเคลือบแคลงสงสัยส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้เคลือบแคลงสงสัยเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคืองป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้ข้ามพ้นความเคลือบแคลงสงสัยแล้ว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 สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคือปา่าโปร่งและปาล่าทึบสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกศุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือการยกตนข่มผู้อื่นส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคือปา่าโปร่งและปาล่าทึบ เราเป็นผู้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นพระอริยเหล่าใดเป็นผู้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเข้าอาศัยเสนาสะนะเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยเหล่านั้นพรามเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพรามเรานั้นได้มีความดาริว่า สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้สะดุ้งกลัวและมักขลาดเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความสะดุ้งกลัวและมักคลาดส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้สะดุ้งกลัวและมักลาดเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบ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 เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัสเคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยพระอริยะเหล่าใดมีความปรารถนาน้อยเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัสเคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพรามเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่า